Book 2 um 2ยี่สิสาทรีการเรียนภาษาต่างชาติ U ูเ j e น t ยทูอิชเ i ซิคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ kiste นาอ i สปานชิโน่คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะอลิซนาเต้ทูดีโปรตุเกลสก์ค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะ d ้ in ินมาโลซนามทูดีอิตาลยดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมาก สิ mi, ่งที่ฉนม้ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมากเยสิคีซอซีเพรสเซย์พโบเนดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดีดอเบรยิลักโโครจูแต่การพูดและการเขียนมันยาก v ั n d ั r pa je govoriti i อิ i พิสัตย์ที่ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมากเ e ang, im, v e ล k คอน a พักเดลัมทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ Pros ิมเด m e ล v a k i ชปอปราวิเ การออกเสียงของคุณดีมากภา s าอิสกอร์ยาวาเยคาร์ดอเบร์คุณมีสำเนียงนิดหน่อยกอริเตะซราคลิมนาลาซอมคนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน lahkose u g a ูกาเน่อดโคตปริฮายาเ ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ k a t h r i y e v a s Maternyazik i คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ Aliko Dite n a k a k s n j e z i k o n i te อใชคุณใช้หนังสือเรียนเล่มไหนคะ n a k a k s u c b e n i k Uporablyate ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะวเทมเตรนุตคูเนวิมคาโคสติโมเรเช่ดิฉันนึกชื่อนังสือไม่ออกค่ะเนสปอมิมเซนสโลวาดิฉันลืมไปแล้วค่ะิ